อันพุทธศาสนาชนนั้นหลายในเวลาเพื่อนผูสุึกษามนติที่รักเขาเสียชุดนี้ตั้งใจใทำแปดชุดแต่ว่าทำแค่จิตชุดเป็นการตัดสรุปเพราะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าวันต่อไปผะจะทำไหวหรือไม่ไหวเพราะการไข้มันเครียดมาก วันนี้ก็ยังเป็นวันที่สิบตุลาคมพศสองพันห้าร้อยยี่สิหกเรื่องต่างๆของเรื่องการศึกษาตามทางตามแนวทางของพระอริยเจ้าค่อยๆทำมาขอทุกคนค่อยๆทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนอย่าคิดว่าเราเป็นพระอริยเจ้าและจงอย่าคิดว่าเราดี พอดทิ้งกิเลสที่พระเจ้าว่าไม่ดีทิ้งไปรักษากําลังใจขั้นสะเก็ดของความดีขั้นเปลือกของความดีกะเพีาและแก่นของความดีให้ทรงตัวหลังจากนั้นมองทุกให้พบด้วยปัญญาค่อยๆมองอย่าหากโขงกําลังใจเห็นทุกแต่ละจุดแล้วก็ทรงบา ร, รมีสิทให้ครบถ้วน <c oughs> ค่อยๆเกาะความดีของพระอเรียเจ้าแต่ไดอย่างถือว่ามีความชนะแต่ละจุดและจงอย่าลืมตัวว่าเราเป็นพระอเรียเจ้าเท่านี้พอแล้วสำหรับข้อเสดนี้เป็นข้อเสดไปกินอากาศก็มีเมื่อเมื่อตอนไหนเมื่อวันที่สามคืนวันที่สามตุลาคมบศสองพันห้าร้ยี่ิหก อาจารย์ยกส่งเอาปัญหาคนญาติโยมคนหนึ่งมาถามว่าบารมีสิบเป็นยังไงแล้วก็ญาณแปดเป็นยังไงท่านบอกว่าหลวงปู่เวนไม่เข้าฝันท่านถ้าหากว่าไม่เข้าใจให้ไปถามฤาษีวัฒาส่งก็ขอตอบให้ทราบไปสรุปว่าบารมีสิบคือหนึ่งทานบารมี พอใจในการให้ทานไว้เสมอเป็นการตัดโลภะความโลภสองศีลละบารมีพยายามรักษาศีลและคบถ้นเป็นการป้องกันอบายภูมิสามเนกคธรระบารมีเรื่องพยายามระ ง, งับนิวรนไปเบื้องตน้นพระตัดสโยนาณเป็นเรื่องด้นสุดท้ายป้องกันความวุ่นวายของจิต สามบัญญาบา ร, รมีทรง บ, บัญญาตดียอมรับนับถือกับขึ้นความเป็นจริงเรื่อการตัดอารมณ์กลุ่มสี่ห้าวินยาบา ร, รมีความภาคเพียรต่อสู้กับกิเลสการล้งของความชั่วเองการค่อยๆทำลายความชั่วให้พินาศไปแล้วก็หกันติบา ร, รมีต้องมีความอดทนใจ เรากำลังใจเขาเราครบคกอกิเลสมันนานว่าจะห้ามหันมันก็มันก็มีการต่อสู้ต้องอดทนเจตสัจจะบ ร, รมีความตั้งใจจริงเราตั้งใจว่าย่าทำอะไรทําอย่างนั้นอย่าท้อถอยไม่ยอมละแปดอธิษฐานบรมีตั้งใจไว้ดีว่ามนุษย์โลกที่ว่าโลกเราพอมโลกเป็นทุกข ตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราจะไปนิพพานเก้าเมตตาบา ร, รมีทาจิตใจของเราให้ดีมีความแจ่มชืนช่นเห็นคนและสัตว์ทั้งโลกเป็นที่รักของเราทั้งหมดเราไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครแล้วสิบอุเบกขาบารมีอดทนต่อความอดก้านทั้งหลายตัวปรปสัรค์ทั้งหมดวางเฉยไม่ต่อสู้ไม่รุกรานไม่วันไหว สร้างกำลังใจไว้โดยเฉพาะแล้วก็อดแล้วก็วางเฉยในเรื่องของร่างกายร่างกายอย่าเป็นทุกข์ขนาดไหนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันร่างกายอย่าแก่ถือว่ามันเกิดมาเพื่อแ ก, ร ก, ยอยกอ่ร่างกายอย่าป่วยไข้ไม่สบายถือว่าเกิดมาเพื่อป่วยไข้ไม่สบายร่างกายอย่าปั่นป่วนถือว่าเกิดมาเพื่อความปั่นป่วน ร่างกายมันจะตายก็เป็นเรื่องของมันที่ว่าร่างกายกับเรามันไม่ใช่มันไม่ได้ร่วมกันร่างกายมันเป็นที่อาศัยของเราชั่วคราวเท่านั้นนี่บารมีสิบปรการมีอย่างนี้ถ้าทรงกําลังใจในด้านบารมีทั้งสิบปรการไว้ได้อารมณ์ใจจะเป็นสุข แ้วความปรารถนาะะการปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าุกตอนจะสำเร็จผลทุกอย่างหนึ่งการโยนทิ้งกิเลส ต, ตาม ท, ที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ในอุทุมบริกาสุดโยนทิ้งได้ง่ายสอนการเข้าจับเก็บความดียึดความดีขั้นสะเก็ก็ไม่หนักมาทรงความดีขั้นเปลือกก็เบาใจ และการจะพิจารณาเห็นทุกข์ด้วยปัญญาก็เห็นชัดเพราะการรู้อะไรสัตว์อริยสัตว์ด้วยปัญญาเป็นของดีและการที่จะทรงบา ร, รมีสิบนี้ก็เป็นของไม่ยากจะปฏิบัติตัดสังโยกตามคาแนะนำขององค์สมเด็จพระพุทมีพระภาคก็เป็นของไม่ไม่เกินวิสัยรวมความว่าถ้าทำได้กำลังใจของเราจะเป็นสุข ต่อไปนี้ก็อย่าพูดถึงยานแปดยานแปดประการนี้ความจริงเป็นหลักสูตรของวิชาสามดานั้นทุกท่านที่ปฏิบัติตามหลักสูตรของวิชาสามที่พระพุทธเจา้าทรงแนะนำมาในอุทุมบริการสูตรก็เป็นของไม่หนักแต่ยานแปดจริงๆมีความสำคัญอยู่ยานเดียวคือทิพย์กุยาน ข่อายาณทั้งแปดอย่างนี้มาจากทิพย์ุกุยานเอาผลคือเอากำลังของทิพย์ุญุาณไปใช้นั่นเองที่การเรียกทิพย์จุกุยานเบื้องต้นนนั้หมายความทิพย์ุญุยานอย่างอ่อนคําว่าทิพย์จุกุยานนี่อย่างพวกเราเราไม่ใช่หมายตาว่าลูกตาเป็นทิพย์ไม่ใช่มีความหมายว่าลูกตาเป็นทิพย์คำว่ายานแปลว่ารู้ ต้องแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์เพราะว่าเวลานั่งกิเลสสงบความสะอายของจิตดีแต่กำลังการรู้การเห็นนั้นกำลังที่อยู่กุญญาจะไม่เสมอกันตามกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่หางว่าทุกท่านปฏิบัติได้ตามี่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคแนะนำมโนทมบริกาสวด ทรงได้ตามลำดับนั้นแล้วทิพ ย, ยานจะแจ่มใส <c oughs> <c oughs> เห็นอะไรขึ้นมายังไม่เป็นพระอริยเจ้าขั้นเปลือกอยังเป็นฌานโลกีก็เห็นชัดพอสมควร <c oughs> แต่ตายเต้าไปตามพระอริยเจ้าตามขั้นของความเป็นพระอริยะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นพระอริยะแต่ว่ากำลังใจของเราสงบสงัดบางเวลาตามที่เราต้องการเท่านั้นที่พิกคุยายนก็จะมีสภาพแจ่มใสฉะนั้นการปฏิบัติในยานไปก็ดีในทีิพิกคุยายนก็ดีก็มีอยู่แล้วในหลักสูตรเขมโนยิธิซึ่งให้ครูสอนอยู่แล้ว ถามว่าจะไปศึกษาที่ไหนก็ต้องขอตอบว่าเวลานี้สอนกันเดินเกือบทุกมุมของประเทศไทยจะมีสอนไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรของวัดท่าสงวัดท่าสงนี้ามาจากพระพุทธเจ้าอาจารย์อื่นที่เขสอนตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเรียนกับใครก็ได้มีกันอยู่เยอะ วิชานี้ถ้าเปิดแพร่หลายมากที่สุดก่อนเพื่อนก็คือหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญความจริงหลวงพ่อคนนี้ก็เคยเปอาจารย์ของอาตมาเหมือนกันเคยเปิดศึกษากับท่านท่านเป็นพระดีมากแต่เวลานั้นท่านอาตมา ก, ก็คล้ายคลึงกันเวลานี้เวลานั้นของท่านอาตมาเวลานี้คล้ายคลึงกัน ผู้คนโจมตีขนาดหนักแม้แต่พระนักเทศน์นักธรรมก็โจมตีขนาดหนักหาว่าท่านเป็นศาส ด, สดาแข่งพระพุทธเจ้าและกาดพระพุทธศาสนาใหม่แล้วคนบ้านใกล้เลือนเคียงที่ไหนบ้างก็ไม่ทราบนะขอโทษบ้านใกล้ๆที่ไม่เป็นศัตรูท่านมีนะก็พากันด่าให้แซรว่าท่านเป็นคนไม่ดี แต่ก็ไปที่น้าแปลใจยิ่งด่าเท่าไหรหลวงพ่อก็มีอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงคนเป็นเท่านั้นนหะใครจะไปเท่าไร่เท่าไหร่อาหารการบริโภคไม่ต้องพระที่วัดไม่ต้องบินธบาตร ฉ, ฉันเช้าฉันก็ต้มเพลงขันฉันก็สวยบารมีของหลวงพ่อวัดปากนา้ําราสีเจริญก้องมาถึงข น, นาดนี้เวลานี้คนยังไม่ใครความเคารพนับถือ องนี้อาตมาถือว่าเป็นปรมาจารย์อง์หนึ่ง <c oughs> แล้วถ้าใครเป็นลูกศิษย์ของท่านอาตมาจะทราบว่าลูกศิษย์แท้หรือไม่แท้เถ้าความรู้ของท่านมาก็รับไว้พอสมควรพอเข้าใจว่าท่านพูใดประกาศตนเป็นลูกศิษย์รับเอาความจริงความรู้จริงๆของท่านมาหรือไม่อันนี้รู้เรื่องก็มีคนหลายคนมาโมเมบอกเป็นลูกศิษย์มุงพรอวัดปากนะ้ํา ท่านถามเข้าจริงๆอย่า ง, งจังไม่ได้เรื่องเลยอันนี้ไม่สมควรไม่น่าจะเอาหลวงพ่อมาย่ำยีความดีของหลวงพ่อมีมากเรืออาตจมาเวลานี้ก็เหมือนกันการโจมตีการดา่าการเล่นทาการกล่าวหาบางทีกล่าวว่าเป็นพวกโอทิติมรุษธรรมเป็นอบัติประราชิก ความจริงคนไม่ได้อดเขาว่าเป็นนบัตประชิกพระพุทธเจ้าทรงปรับแต่คนได้ถ้าพูดสอนุกสิธิ์ไม่เห็นพระพุทธเจ้าว่าที่ไหนนี่จึงได้บอกบอกว่าอันตรพานพวกนี้ก็ไม่อยากจะครบแต่โอกาสยังไม่มีอยากจะตีตัวจากอยู่เสมอถ้าโอกาสมีเมื่อไรจะตีตัวจากเมื่อ น, นั้น สถานที่ต่างๆลงทุนเองไม่มีใครเป็นเจ้าของญาติโยมเป็นเจ้าของซื้อให้ตีตัวจากเมื่อะไรเราจะมีความสุขเพราะไม่ต้องอยู่ในความควบคุณของอันดภานท่านผู้นี้เป็นใครไม่ขอบอกเขาบอกแต่เพียงว่าเคยเข้ามาย่ยําดีเคยเข้ามาลุกรานบ่อยๆในงานที่จะฝังลูกในมิตร ก็หาทางแกล่งแกล้งโดยประการทั้งปวงร้วยมาถ้าทำการก่อสร้างอันดัพันพวกนี้ยังมีตัวมีตนอยู่ถ้าเขามีกำลังสามารถจะรุกรานได้อีกอจนตราก็ขอจะหอแยกนิ่กายทันทีเพราะว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ยังบูชาคนชั่วอยู่อย่างนี้เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ ตั้งตั้งใจไว้นานแล้วโอกาสยังไม่มีถ้ามีเมื่อไรจะพระทันทีทันใดเราก็มาพูดกันถึงยานแปดยานแปดนี่มาจากทิพิคุยยานพอทิพยคุยยานเราทำได้ดีพอสมคนมีกำลังดีขึ้นก็สามารถไปใช้กำลังโคจุทูปปาทยานได้ ทิยานี่เป็นการกําจัดความสงสัยเรื่องสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงไหมพมลโลกมีจริงไหมการตายแล้วเกิดมีไหมถ้ากําลังใจสะอาดก็สามารถพิสูจน์พระนิพพานได้อันนี้ก็เป็นของไม่หนักสําหรับคนที่พึงทําได้มันก็เป็นของไม่ยากหลักสูตรของ ว, วัดปรักน้ำบางสีเจริณ <c oughs> วันเวลานี้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่ดีๆ <c oughs> ก็ยังมีอยู่หลายท่านท่านก็ยังสอนปฏิปทากายนิพพานอยู่จะลืมว่ายังมีคนดีอยู่นี่เราก็มาพูดกันว่าถ้าได้ทิญยานแล้วหมดความสงสัยเรื่องเทวดามีแล้วไม่มีไม่มีตายแล้วเกิดแล้วไม่เกิดก็ไม่ต้องมาพูดว่าที่มันเจอกัน ไม่ต้องมานั่งหลอกลวงชาวบ้านมาเทวดาไม่มีคุณภาพความคุณสมบัติของเทวดาไม่มีอะไรพวกนี้เป็นตน้นการจะใช้คนใช้เทวดาในะใช่ถูกตามความสามารถไม่มีอะไรหนักท่านช่วยได้ถ้าเกินวิสัยท่านก็ช่วยไม่ได้จเจ้าเทวดาไปเห่าเหมือนคนพูดนะเทวดาเห่าไม่เป็นแต่คนพูดเห่าเป็นก็เห่าไปเถอะเห่าแทนเทวดาไปไป <c oughs> เอากำลังใจของทิพยจุฬาจันทรดีขึ้นก็เป็นจุตูปปาปาิยานจุตูปปาปฏิยานนี่เป็นตัวตัดกิเลสดีมากจะรู้ว่าคนและสัตว์เห็นหน้าเมื่อไรดินชื่อมื่ไรรู้ได้ทันทีว่าท่านผู้นี้มาเกิดจากไหนมาจากไหนมาเกิดก่อนจะเกิดมาจากไหนจุตูปปาปิยานหมายความ่าการจุติโลบัต จติเคลื่อนตายไปอุบัติเกิดขึ้นก่อนจะเกิดมาจากไหนตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเราจะทราบด้วยกําลังเขาจุตูปปาติยานจะเป็นคนให้เราเป็นคนไม่ประมาทถจะสร้างความดีและทําทลายความชั่วต่อไปก็เจโตบริย า, ยานเจโตบริย า, ยานนี้มีความสําคัญมาก เพียงเราได้ยินชื่อของคนยิ่งข่าวของคนไม่ได้ยินชื่อที่เขาประลบถึงถ้าเราอยากจะรู้กำลังใจว่าท่านบ น, นี้มีกิเลสมากหรือมีกิเลสน้อยมีความชั่วมากหรือมีความชั่ว น, น้อยมีความดีมากหรือมีความดีน้อยกิงโกงโกหกชาวบ้านขนาดไหนเราทราบทันที เมื่อเราอยากจะรู้และนอกจากนั้นยังไม่ีโอกาสทราบจิตของเราเ่ราจิตของเราเวลานี้คบกิเลสอะไรไว้มากควรจะกำจัด้วยวิธีไหนแล้วเข้าใจได้ดีเป็นการคล่องตัวในการกำจัดกิเลสต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติได้ตอนนี้ทำให้เราขาดจากความเมาในชีวิต ที่ความคิดผิดๆที่เราเคยมีมาก่อนชินมาณนะการถือตัวถือตนก็ดีการนิยมบาปอกุศลว่าเป็นของดีก็ดีจะสลายตัวไปจากใจของเราเพราจะได้ทบทวนมา ก, ก่อนแม้ก่อนก่อนนี้ที่เราสร้างความชั่วเราเคยเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสว์กายเป็นสติฉันเป็นคนทนิยากจนเขีนใจมีความลําบากพอมากน้อยเพียงใด สามารถจะทบทวนได้แล้วสามารถจะทบทวนกดข้องกรรมัมว่าก่อนที่เราจะอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็เป็นคนเราสร้างความชั่วอะไรไว้บ้างเราจรึงได้เลวอย่างนั้นแค่นี้ละบรรดาท่านผู้ถวายสัตวแล้วก็เราก็สามารถจะทบทวนได้ของความดีว่าเราเคยเกิดเป็นระตทวดาแล้วเคยเกิดเป็นพรหม เคยเกิดเป็นมหาเศรษฐีเป็นผู้มีศักดิ์ศรีใหญ่มีบ้างไหมและอาศัยทำความดีอะไรจึงไปเกิดอย่างนั้นนี่เราก็จะสะสมความดีเขไว้ละความชั่วประพฤติความดีได้ง่ายไม่สงสัยในผลของการปฏิบัตินอกนั้นยังเป็นปัจจัยสัจจละกิเลสคือมานะทิฏฐิได้ดี การเกาะสัญญา ว, ว่าเป็นของดีจะไม่มีกับเราหรือว่าจะตัดได้โดยง่ายไม่ได้ปกปืนิวาสานุสติญาณคลายการละลึกชาติได้ต่อไปก็เป็นอติตังสียานและอนนาคตังสียานรู้เหตุการณ์ที่แล้วมารู้เหตุการณ์และกการรู้เหตุการณ์ข้างหน้าอันนี้เราจะทราบชัดว่าสถานที่เรานั่งอยู่ที่นี้ การกุกกนที่ทํากิจการงานอยู่อย่างเรานั่งพูดอยู่อย่างนี้ทํางานแบบนี้เดิมทีมีคนทํางานอย่างเราเดินแบบเรากินอย่างเราถ่ายอย่างเรานอนอย่างเราเอาไวไวาอะวายวายมัเามาถีงอย่างเออะมาเถืองอย่างเราคนประเภทนี้แถวนี้มีบ้างไหมตายไปแล้วเท่าไหร่รัฐฐานที่นี้เคยเป็นบ้านเป็นเมืองไหมความรุ่งเรืองของประเทศที่นี้มีขนาดไหน ประวัติความมาเป็นมาอย่างไรเราสามารถจะทราบชัดได้อย่างละเอียดถ้าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความประมาทในการใช้ยานอนาณาคารตางสยานรเหตุการณ์ข้างหน้ารู้เรื่องของเราหรือเรื่องของบุคคลอื่นรู้เรื่องของสถานที่หรือแม้แต่ประเทศชาติทัโลกจะเป็นยังไงเราก็สามารถทราบได้ด้วยอาณาคารตางสยาน ใ น, จจนญญในปัจจุบันนวทยานในปัจจุบันเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนสมมติว่าเราออกไปจากบ้านอยากจะทราบว่าทางบ้านเวลานี้ใครทําอะไรบ้างมีใครหนีไปเที่ยวบ้างใครเล่นไพ่เล่นโป้บ้างใครกินเหล้าบ้างใครสร้างความดีบ้างเราจะรู้ได้ในปัจจุบันว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขความทุกข์ไปแปรการใด และเวลานี้คนที่ไปจากเราเขามีชีวิตอยู่หรืออยู่ที่ไหนเรือตายไปแล้วเราก็ทราบเขามีความสุขหรือความทุกข์เราก็ทราบยานสุดท้ายคือยาถากรรมตายานยาถากรรมตายานในรู้กฎของกรรมชาวบ้านหรือสัตว์ที่มีความสุขหรือความทุกข์เพราะกรรมอะไรเป็นเหตุเราทราบ แล้เราก็จะเศร้าด้วยไ ก, กรรมทั้งหลายเหล่านี้จะแก้ไขได้ไหมดัดแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงยักย้ายหนีได้ไหมต่อการตัดกรรมแก้กรรมขอโทษเถิดพระพุทธเจ้าจบอกไม่มีใครสามารถจะหลีกพ้นถ้ามันตัดกันได้แล้วก็องสมเด็จพระทศพลก็ไม่ทรงป่วยการป่วยไข้ไม่สมบายมาจะโทษขคกปานาธิบาตเดิม การเสียทรัพย์สินมาจะโทษเขาอธินาทานคนที่อยู่ด้วยกันดื้อด้านว่าไม่นอนสอนไม่ง่ายไว้ใจไม่ได้เพราะโทษงการเมสุมิชาจารย์พูดวาจาไปถึงแม้จะพูดด้วยความจริงใจยังไงก็ตามไม่มีใครเขาอยากเชื่อเพราะโทษถึงการมมสาวาด ไอ้บุคคลที่หมดความฉลาดเป็นโรคปวดหัวเป็นโรคประสาทเป็นโรคบ้าก็มาจะกพกจากก า, การดื่มสุราลำเมรัยกฎของกรรมตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็ริพยาำตัดกรรมกันวิธีไหนแต่ว่าคนที่มีความสามารถตัดกรรมอาจจะมีอาตมาก็ไม่เถียงอาตมาไม่มีความสามารถแบบนั้นแต่เราจะรู้ จากนั้นถ้ามเมื่อเราได้ยาถากรมมตายานถ้าความป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นเราก็ใช้ยาถากรรมตายานดูว่ามันเพิกเป็นเพราะกรรมอะไรเราทราบความชั่วเดิมของเราที่ทําไว้เราก็เบาใจว่าความชั่วของเราทําไม่มากกว่านี้อารมณ์ใจก็เป็นสุข ถ้าผลความดีเป็นปัจจัยของความทุกขเกิดขึ้นแล้วก็ดูเราทำอะไรไว้ความดีอะไรให้ผลเราอย่างนี้เราทราบใจเราก็เป็นสุขจะได้ทางสร้างความดีต่อไปเพื่อนที่รักตีจาก <S <S คนที่รักตีจากเป็นพกกรรมอะไร <ưỡ> เราจะทราบได้โดยยถากรรมโมตายานนี้กิจการงานต่างๆที่ทำแล้วมันขาดทุน เป็นเพื่อกรรมอะไรแล้วก็ทราบทราบแล้วก็หมดความหนักใจถ้าเพื่อความสุขใจถ้าได้ยานแปดถ้าเราอย่าลงทุนถ้างทุนทำมาค้าขายโดยกรอบอาชีพใดๆ <c oughs> ก็ใช้อนาคตังสยานสกก่อนหรือว่าจะใช้ทิพยานก่อนว่าดูผลของงานที่เราทำมันจะเป็นยังไง สภาพในเวลาตั้งขึ้นมาจะเป็นยังไงใช้อนาคตานาคตต่างพียานดูต่อไปว่าเบื้องหน้าของกิจการงานนี้มันจะดีมันจะมีกําไรหรือขาดทุนถ้าอย่างนี้เราก็จะทราบล่วงหน้ามาทราบล่วงหน้าแล้วมันจะเป็นอะไรถ้ามันไม่ดีเราก็จะฝืนหลีกเสียเห็นว่าไม่เสรนว่ามันจะดีเราก็ทํา ก็มีตัวอย่างคนหลายคนที่เกียจยกตัวอย่างมีเยอะในปัจจุบันนี้ไปทำงานในกันในประเภทงานที่เขาไม่อยากจะทำกันแต่ท่า น, นหลายเรานั่งกําลังใจกันสะอาดคายการได้ถูกการมาคายการได้ถูกนี่ถือว่าเป็นนาคาต่างสยานไหม แล้วก็ต้องตอบว่าพราะอาษันอาศัยบุญบา ร, รมีเดิมเขามีในเมื่อบุญบา ร, รมีเดิมมียังไม่ต้องไปฝึกที่ไหนผลผลแม่งปรากฏทางใจของมันได้ในบ่าวกาที่จิตเขาเป็นสุขมีรมสมบายความรู้สึกมันจะเกิดก็ถือว่าเปลีย น, นาคตางยนนาคตาสัญญาณอย่างอ่อนเขาสามารถจะค า, าดคะเนไว้คือว่ากิจการขั้นหน้ามันจะเป็นยังไง ทั้งๆที่คนหลายทำแล้วขาดทุนเขาไปศึกษามาแล้วว่าทำมีกำไรเขาก็ทำาลนี่สุดการงานของเขานั้นก็ร่วงเรืองแต่คนประเภทนี้ผมบอกท่านจะบอกว่าไม่เคยไปเจริญกรรมาฐานที่ไหนเลยความจริงซึ่งชื่อความดีกอ็อารมณ์เป็นทิพย์มันติดมาจะ่ชิก่อนเป็นผลกดข้อง ก, กำความดี ไม่อย่างนั้นคนที่ไม่เจริญกรรมฐานก็ทําอะไรไม่ได้เลยสิสิ่งนี้เขาจะทําขึ้นมานี่เราพกกูดง่ายๆว่าใช้ตัวปัญญาใช้ตัวปัญญาเป็นเครื่องค่าคณีความจริงตัวปัญญาจริงๆนะเป็นตัววินิจฉัย <c oughs> เป็นตัววินิจฉัยกดเครื่องการงา น, นงต่างๆเอาว่าอะไรมันควรจะทําแบบไหนมันจะดีและมันจะชัว่ว ทำงานประเภทนี้จะดีหรือไม่ดีทํางานประเภทนี้จะชั่วหรือไม่ชั่วแต่ตัวคิดข้างหน้าว่าข้างหน้าควรจะมีกําไรสถานการณ์อย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่ว่าทํามาทําไปสถานการณ์มันเปลี่ยนแต่ว่าผลของเขายังมีกําไรตามที่ต้องการอย่างนี้ต้องถือว่าเขาเคยได้อนาคตั่างพยานมาจากใช่ก่อน ความดีของเขาติดตามมาฉะนั้นความดีของญาณทั้งหลายเหล่านี้บรรดาญาโยงขธบริษัททั้งหลายโดยทนหนาและบรรดาเพื่อนบิณฑุสมาเนนี้เราใช้กันทางโลกก็มีความสุขแต่ใช้ในทางธรรมแล้วก็มีความสุขถ้ามียาณแปประการได้เราต้องการอะไรต้องการเดินตามเงาเขามาโสดาบันแล้วก็เดินสะดวก เราต้องการกเดินตามเงาขอ ง, ของพระสีธาคา ม, มีแล้วก็เดินสบายเราต้องการเดินตามเงาพระนาคา ม, มีแล้วก็เดินได้ไม่ไม่ลำ บ, บากเราต้องการเดินตามเงาของพระอริยเจ้าขั้นพระหลังก็ไม่หนักใจแต่เราจะเป็นหรือไม่เป็นพระอริยเจ้านั้นไม่สําคัญสําคัญบักความดีอันใดที่ท่านทํา เราก็ทําตามท่านด้วยความสะดวกใจเท่านี้ก็พอผู้ใหญ่ได้บอกว่าการเติมเติลตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดพอขอใช้ศัพ์ภาษาไทยให้ศัพท์ที่ใช้จะดัดแปลงยามากเกินไปเวลาใช้ศัพท์มศนจบอกสุนักพูดออกอากาศทางวิทยุสุนัขพูดในที่ประชุมสุนักพอกลับมาบ้านหมาเรียกหมา ก็ไปนั่งโกหกชาวบ้านเขาทำไมสับใดที่เราเคยใช้ใช้ตามปกติให้ตรงไปตรงมาตามคติของพระพุทธเจ้าใครเขาไม่ชอบใจเราในการใช้สับอย่างนั้นเขาก็ไม่คบเราเองใครเขาชอบใจในเราเขาก็คบเขาอยากจะคบคนหลอกหลงและขอบยิ้อยากจะคบคนตรงไปตรงมานั่นเป็นปรเรื่องของเขาเราบันดาลภาษาว่าก็องค์สมเด็จเราสัมมาทัมพุตตเจ้า ข้อคัดเศษพิเศษอันนี้เป็นข้อเศษที่เจ็ดถ้าพูดกันเล็กๆ น, น, น้อยๆตามสมควรเพื่อความเข้าใจหรือไม่เข้าใจข้ามันดาท่านพุทบริษัททั้ทงนี้เพราะว่าคนพูดเข้าใจแต่คนฟงังจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่ทราบเป็นอันว่าเว ล, ลาก็หมดก็จะของดเพื่เพียงเท่านี้การบันทึกอธิบายอุปสมบริการสูตรก็ขอหยุดแค่นี้ ขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลทำใดดีองค์สมเด็จพระทศพลบรมาสารนด า, ส ม, ม า, า, าสมาทุปเที่ยวชมรู้แล้วแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วสมบัติทานมอบหมายทำนั้นแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงรู้ทำนั้นตามที่องค์สมเด็จพระจิ ต, ตามารทรงต้องการในชาติปัจจุบันนี้โดยฉพาะพันเถิดสวัสดี